เมื่อเขาใส่คำข้าวลงในลงนิ้วมือของเขาก็ขาดตกลงในบาทของเรานี้เราอาศัยชายคาเรือนฉันข้าว น, นั้นอยู่ในเวลาที่กำลังฉันและฉันเสร็จแล้วเรามิได้มีความเกลียดชังเลยภิกษุใดไม่ดูหมิ่นปัจจัยทั้งสี่คืออาหารบินทบาทที่จะพึงลุกขึ้นยืนรับหนึ่ง บางสุกุลจีวรผ้าจีวรที่เขาทิ้งแล้วเปื้อนฝุ่นแล้วสกรปรกแล้วหนึ่งเต น, นะสนะคือโคนไม้หนึ่งยานองยาดองด้วยน้ำมูดเน่าหนึ่งภิกษุนั้นแลสามารถจะอยู่ในทิศ ท, ทั้งสีได้นั่นเนี่ยเยคือภิกษุใดก็ตามเนี่ยถ้าไม่ดูหมินปัจจัยสีซะแล้วเนี่ยว่าโอ้ยเนี่ยแหมมันแย่คนทำอาหารก็สกรปรก อาหารก็ไม่ดีอาหารเป็นของที่ไม่ประณีตเป็นของต่ำเป็นของเลวทรามถ้าดูหมินแลมก็จะอยู่ที่ไหนลำบากหรือบางสกุลจีวรก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้ผ้าจีวรดีๆเศนาสนะคือที่อยู่อาศัยก็ต้องอยู่ที่ดีๆจะอยู่โคนไม้ก็ไม่ได้ยานั้นก็ต้องเป็นยาดีจะใช้ยาดองด้วยนะ้ำมูดเนา่าไม่ได้ ทายวิกษุดูหมินปจัจใจสี่อย่างนี้แล้วแล้วก็อยู่ที่ไหนลําบากแต่ถ้าไม่ดูหมิ่นนะมีใจไม่ดูหมิน่นสามารถจะอยู่ในทิศทั้งสี่ได้ที่ดูหมิ่นก็เแปลว่าเห็นว่าตัวเราดีเนี่ยเราควรจะได้ของดีๆก็ก็คืออำนาจของมานะความถือตัวนั่นเองแต่พระเถระเนี่ยหมดความถือตัวนะเห็นได้อย่างไรก็ไปรับอาหารของคนเป็นโรคเลือะแล้วก็มาฉันได้โดยไม่เกลียดชัง เคารพในศรัทธาของเขานะเคารพในอาหารที่เขาถวายแล้วก็เคารพในธุดงค์ที่ท่านถือท่านถือธุดงค์ว่าบิณฑบาตไปท่านได้กล่าวต่ออีกว่าในเวลาแก่ภิกษุบางพวกเมื่อขึ้นเขาย่อมลําบากคือแก่แล้วทุพพลภาพแล้วกําลังน้อยแล้วจะเดินขึ้นเขาในลําบากแต่พระมหากัสปะผู้เป็นทายาทของพระพุทธเธจา้าเป็นผู้มีสติสัมชัญญา แม้ในเวลาแก่เป็นผู้แข็งแรงด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ย่อมขึ้นไปได้ตามสบายท่านมีฤทธิ์นะท่านก็สามารถขึ้นไปบนภูเขาเวปุลบันพศนะถ้าจาไม่ผิดอาตมาก็ไปมาแล้วขึ้นไปได้แค่สักนิดเดียวก็ไม่ไหวแล้วยังไม่ทันจะแก่เลยนะทออซะแล้วไม่สามารถจะขึ้นไปถึงถ้ำปิพริคูหาได้ ทำไมเราเป็นอย่างนั้นเรารักตัวเราเองมากไปกลัวร่างกายมันจะเตื่อมมันจะเมื่อยมันจะเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตันหามันมาคอยบอกอยู่เรื่อยเลยนะเป็นอย่างนี้พระมหากัสสปะผู้หมดอุปทานอุปทานคือความยึดมั่นเหมือนคีมเหล็กนะยึดมั่นวันนี่ยจริงตัวเราเนี่ยมีจริงนะในขันท่าขันท่านี่เป็นของเราจริงนะ ใครมาบอกว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่จริงอ่ะไม่เชื่อมันยึดถือมั่นคงกันแล้วขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงนะไม่เชื่อใช่ไหมขันห้านี้เที่ยงเนี่ยเชื่อขันห้านี้เป็นสุขอุปทานเป็นอย่างนั้นนะการบูปาทานที่ถูกปาทานเป็นอย่างนั้นแต่ท่านเป็นผู้บดอุปทานเพราะฉะนั้นท่านละความกลัวภัยได้แล้วเราเราเรายึดถือว่ามีตัวเรา นะมีมีตัวของเราเพราะนั้นเราย่อมรักไอ้ความยึดถือนะั่นมันมันก็ประกอบไปด้วยความรักนั่นเองและก็ความเห็นผิดเพราะนั้นมันก็ย่อกลัวว่าภัยจะมีแก่ตัวเราภัยจะมีแก่ขันห้าของเราแก่ชีวิตของเราต้องรักษาไว้กลัวกลัวอะไรั็กลัวความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับขันห้า แต่ว่าพระมาหากรสปะเจ้าเนี่นไม่กลัวเพราะมีปัญญานะเห็นว่าไอ้ขันหน้านี่คือตัวทุกข์แท้ๆเลยไม่ไม่มีอะไรมีแต่ภัยทั้งนั้นน่ะไม่มีตัวตนใครนะไม่จะเป็นของเราไม่เป็นของใครท่านหมดให้อุปทานไปแล้วจึงไม่มีความกลัวละะความกลัวภัยได้แล้วกลับจากบินทบาทแล้วขึ้นสู่ภูเขาเพ่งชานอยู่ พระมหากัะสปะผู้หมดอุปทานเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่เป็นผู้ดับไฟได้แล้วกลับจากบินธบาดแล้วขึ้นสู่ภูเขาเพ่งชานอยู่คือเราเนี่ยกำลังถูกไฟไหม้อยู่ไฟ11กองนะไฟคือความเกิดความแก่ความตายไฟคือราคะโทสะโมหะไฟคือความเศร้าโศกความเสียใจความล่ำไรลําพันธ์ ความคับแค้นใจความพัดพรากจากของรักของชอบใจความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความปรารถนาอันใดแล้วไม่ได้อันนี้มันเป็นไฟที่เผาเราอยู่แต่เรามองไม่เห็นเรานึกว่ามันเป็นความสุขซะด้วยซ้นะาํานะมันราคะที่เราจะเห็นว่าเป็นความสุข นี่อย่างเง้ยเราไปดูหนังไปดูมหัศรศกันมันปลื้มใจมันสุขใจจริงๆแล้วมันดูด้วยอะไรก็ดูด้วยราคะดูด้วยโมหะนต่นละว่าเป็นความสุขไม่เห็นว่าเป็นไฟเผาตัวแต่ว่าท่านได้ดับไฟสิบเอ็ดกองนี้หมดซะแล้วมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นเพราะนั้นท่านจึงได้ไป บินทบัตแล้วก็มาเพ่งชานอยู่พระมากัสปะผู้หมดอุปทานทำกิจเสร็จแล้วทำกิจกิจอะไรกิจคือทำอาสวะให้ทิน้นให้สิ้นนี่ยทำกิจก็คือทำให้แจ้งสึงพระนิพพา น, เ, นเสร็จแล้วทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะกลับจากบินธบัตแล้วขึ้นสู่ภูเขาเพ่งชานอยู่ภูมิภาคอันประกอบด้วยระเบียบแห่งต้นกลุ่มทั้งหลายน่ารื่นรมใจ คือกล้องด้วยเสียงช้างร้องน่ารื่นรมล้วนแล้วด้วยภูเขาย่อมทำให้เรายินดีนี่ท่านกล่าวถึงป่านะป่าป่าว่าเป็นที่น่ายินดีนะเสียงช้างร้องนี่น่ายินดีภูเขามีสีเขียวดุดเมกงดงามมีท่า น, น้ำเย็นใสสะอาดดาระดาดไปด้วยหญ้ามีสีเหมือนมแรงค้อมทองย่อมยังเราให้รื่นรม ภูเขาอันสูงจางงานแทบจดเมฆเขียวชอุ่มเปรียบปานดังปราศาสตร์กึก้องโดยเสียงช้างร้องหน้ารื่นรมยิ่งนักย่อมยังเราให้ยินดีภูภูเขาที่ฝนตกรถแล้วมีพื้นหน้ารื่นรมเป็นที่อาศัยของลาวหรือสีก็คือเป็นที่อาศัยของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือผู้ผู้ทําตบะนะทำความเพียรเผากิเลสพระดิญบุคคลทั้งหลาย เตงแซ่ด้วยเสียงนกยูงย่อมยังเราให้รื่นรมสถานที่เหล่านั้นเหมาะสําหรับเราผู้ยินดีในการเพ่งฌานมีใจเด็ดเดี่ยวมีสติเหมาะสําหรับเราผู้ไข้ประโยชน์รักษาตนดีแล้วผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเหมาะสําหรับเราผู้ปรารถนาความผาสุกมีใจเด็ดเดี่ยวเหมาะสําหรับเราผู้ปรารถนาประกอบความเพียรมีใจแน่วแน่ศึกษาอยู่นะอันนี้ ท่านท่านได้กล่าวอย่างนั้นจริงๆเลยว่าคนใดก็ตามเนี่ยใครก็ตามที่ยินดีในการเพ่งฌานมีสติเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วต้องยินดีในป่าแน่นะไม่เหมือนกับคนที่มีมีความโลภมีรักะมีความอยากเนี่ยจะไม่ยินดีในป่าบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวที่เขาไปเที่ยวล่าสัตว์ในป่าก็มีเนี่ย นั่นเข้าป่าไปไม่ได้ไปด้วยเหตุที่จะไปทําฌานหรือจะไปทํากุศลลธรรมนะมันไปทําอากุศลทําบาปแล้วมันไปมันก็ไปแบบชักชวนเงินไปนะชักชวนเงินไปสนุกสนานในการฆ่าสัตว์ในป่าอะไรอย่างนั้นภูเขาที่มีสีดังดอกผักตบปกคลุมด้วยหมู่เมฆบนท้องฟ้าเกลื่อนกลนด้วยหมู่นกต่างๆย่อม ยังเราให้รื่นรมภูเขาอันไม่เกลื่อนกลนด้วยผู้คนมีแต่หมู่เนื้ออาศัยดารดาษด้วยหมู่นกต่างๆย่อมยังเราให้รื่นรมภูเขาที่มีน้ําใสสะอาดมีแผ่นหินเป็นแท่งทึบเกลื่อนกลนด้วยข้างและมรุกขชาตดารดาษไปด้วยสาหร่ายย่อมยังเราให้รื่นรมเราผู้มีจิตตั้งมั่นพิจารณาเห็นธรรมโดยชอบอเห็นธรรมเห็นอะไรอ่ะเห็นธรรมเนี่ย ก็เห็นอริยสัจสี่โดยชอบนะเห็นทุกสัจทุกขัจจะเป็นต้นโดยชอบย่อมไม่มีความยินดีด้วยเครื่องดนตรีเครื่องห้าเช่นนั้นภิกษุไม่พึงทำการงานให้มากนักพึงเว้นคนผู้มิใช่กระยาณนมิตเสียต้องเว้นนะท่านพระปธานิกะติดสะเทระนะสอนกันอุตรลุดเลยแต่ไม่แต่ไม่ได้สอนด้วยกระยาณนมิต ไม่ไป้สอนด้วยคุณธรรมของกัลยาณนนมิตรนะก็ต้องเว้นไปเสียกัลยาณมิตรนี่มีคุณสมบัติที่จะให้ประโยชน์แก่เราคือจะต้องมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีหิริโอตตะปะมีสติมีปัญญาแล้วท่านก็จะพร่ำกล่าววาจาที่จะให้เรามีอย่างนั้นแหละไม่ควรขวนขวายในลาบผลนะเราไม่ต้องไปพยายามที่จะให้ได ลาบคือปัจจัย่หรือสักการะดีๆส่วนผู้ปฏิบัติเช่นนั้นย่อมจะต้องขวนขวายและติดในรถอาหารใครก็ตามที่ขวนขวายอยากจะได้ลาบอยากจะมีชื่อเสียงดังอยากจะมีเงิ น, นหลายร้อยล้านเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ต้องขวนขวายและติดในรถอาหารย่อมละทิ้งประโยชน์อันจะนำความสุขมาให้ก็ทิ้งประโยชน์คือศีลสมาธิปัญญา และมัรคผลนิพพานทิ้งเลยไปเอาไปเอาประโยชน์จากตัณหามันซึ่งไม่ใช่ไม่ไม่ให้ประโยชน์ตัณหาเนี่ยโดยสัจจะโดยความจริงก็ให้ทุกข์เท่านั้นะเพราะเราลองคิดดูด้ามันมันติดผูกพันอยู่ในราบผลยินดีอยู่ในลาบผลเนี่ยมันจะมีความสุขยังไงวันวันหนึ่งนั่งรักษานั่งเก็บของเนี่ยไม่ไหวแล้วนะนั่งรักษาของนี่ก็ไม่ไหวแล้วความทุกข์มันเกิดในใจมากเหลือเกิน ภิกษุไม่พึงทําการงานให้มากนักพึงเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เสียเมื่อภิกษุขวนขวายในการงานมากก็จะต้องเยียวยาร่างกายลําบากเนะพราะร่างกายเนี่ยมันไปทํางานแล้วว่าอดแรงนะมีทุกข์ก็ต้องเยียวยาผู้มีร่างกายลําบากนั้นย่อมไม่ได้ประสบความสงบใจก็คือทําสมาธิไม่ได้ร่างกายมันป่วยเจ็บภิกษุผู้ไม่รู้สึกตน ด้วยเหตุสักว่าการท่องบนพระพุทธวจนะนะคือท่อง ท, ทองคําพระพุทธเจ้าได้แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นะท่องได้แต่ไม่ใยทําได้ย่อมเที่ยวชูคอสําคัญตนประเสริฐกว่าผู้อื่นเออเราเนี่ยจำได้มากกระชูคอนะลักษณะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะชูคอด้วยมานะสําคัญตนว่าดีกว่าคนอื่นเราท่องได้หมด ท่งได้มากกว่าคนอื่นรู้มากกว่าคนอื่นผู้ใดไม่ประเสริฐเป็นผานผู้ใดไม่ใช่คนดีนะ่ะแต่เป็นคนโง่เนี่ยแต่สําคัญตนว่าประเสริฐกว่าเขาแต่ไปสําคัญตนด้วยมานะว่าเราดีกว่าเขาทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ดีกว่าเขาหรอกเราโง่ะนะแต่ไปสําคัญผิดหรือว่าสําคัญตนว่าเสมอกับเขาเท่ากับเขานักปราชญ์ทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญผู้นั้น ซึ่งเป็นผู้มีใจกระด้างเลยคือมานะเนี่ยมันทำให้กระด้างมันทำให้แข็งนะ่ะว่าเราเนี่ยแนนะ่ไปเทียบกับคนนั้นแล้วเรายังแน่กว่านะหรือว่าเท่ากับเขาท่านั้งที่อาจจะไม่เท่ากับเขาก็ได้นะอาจจะต่ำกว่าเขานะนะั่นแหละแต่ว่ามันมันมันไม่ยอมผู้ใดไม่หวั่นไหวเพราะมานะสามอย่างมานะนี่เป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะที่ละได้ยากต้องพระอาหารหันต์ละได้ ที่ถือตัวว่าเราเป็นผู้ประเสริญกว่าเขาหนึ่งเราเสมอเขาหนึ่งหรือเราเลวกว่าเขาหนึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นแหละว่าเป็นผู้มีปัญญาคือผู้ใดที่ไม่มีมาณนะหมดมาณะแล้วนะเป็นผู้มีปัญญามีวาจาจริงตั้งมั่นดีแล้วในศีลทั้งหลายและว่าประกอบด้วยความสงบใจเนี่ ย, ยคือใครก็ตามเนี่ยหมดมานะแล้ว ที่เรียกว่าไม่วันไหวเพราะมานะคือไม่มีมานะแล้วเนี่ยคนนี้แหละทั้ปราดทั้งหลายสรรเสริญนะว่าผู้นี้เรามีปัญญาแท้เพราะปัญญามันไปละไอ้มานะได้ว่าโอ้ยไม่มีตัวใครหรอกนะตัวใครที่ไหนมันมีแต่สภาวะธรรมนะมันมีแต่สภาวะธรรมของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นนะมันะจะเอาตัวเราไปถือสูงถือต่ําอะไรกับเข้าที่ไหน หรือหรือบางคนก็ถือว่าเราถือว่าศีลเราดีว่าคนอื่นไอ้ศีลก็เป็นเพียงสภาวะธรรมเท่านั้นนะสภาวะธรรมที่เรียกว่าศีลแต่เราไปยึดถือเอานี่ว่าเป็นของเราเขา้ามันก็เลยองไปเทียบแบบคนอื่นอีกเนี่ยไอ้มานะเนี่ยมันเที่ยวไปถืออะไรต่างๆแต่ถ้ารู้จักมานะซะแล้วรู้จักถ้าจริงๆนะรู้จักสภาวะของมานะจริงๆได้ ก็จะสามารถละมานะได้คือรู้โดยแทงตลอดนะนะว่ามานะเนี่ยจริงจริงแล้วก็คือเป็นสภาพที่เกิดแล้วดับเป็นสภาพที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ของใครหรอก<ม>ก็จะเบื่อหน่ายได้จะพ้นไปได้นะพุทธุใดนะที่ละมานะได้ก็นักปราชญ์ก็ย่อมสรรเสริญว่ามีวาจาจริงตั้งมั่นดีแล้วในศีลทั้งหลายและประกอบด้วยธรรมเครื่องสงบใจ ภิกษุใดไม่มีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้เหินห่างจากพระสัธรรมเหมือนฟ้ากับดินฉะนั้นภิกษุเหล่าใดเข้าไปตั้งฮีริและโอตปะคือความเคารพนะฮีริโอตปะเนี่ยทำให้เกิดความเคารพนับถือภิกษุเหล่าใดเข้าไปตั้งฮีริและโอตะปะไว้ชอบทุกเมื่อก็จะมีพรหมจรรย์อันงอกงาม ภิกษุเหล่านั้นมีพบใหม่สิ้นแล้วภิกษุผู้ยังมีใจฟุ้งซ่านกลับกรอกถึงจะนุ่งห่มผ้าบางสุกุลภิกษุนั้นย่อมไม่งดงามด้วยผ้าบางสุกุลนั้นคือมาหลอกหลอกนุ่งผ้าบางสุกุลนั่นเองนะไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เลือบสหรอกให้เขาจะนับถือเรานะเหมือนกับวานอนคลุมด้วยหนังราชสีฉะนั้นนะท่านเปลี่ยนเหมือนเอาเหมือนเอาหนังราชสีมาคลุมตัวลิงอะคลุมตัวลิงให้ให้คนก็ดูเหมือนเป็นราชสี ส่วนภิกษุผู้มีใจไม่ฟุ้งซ่านไม่กลับกรอกมีปัญญาเครื่องรักษาตนสำรวมอินทรีย์ย่อมงดงามเพราะผ้าบังสุกุนนั้นคือผ้าเนี่ยไม่ทำให้ใครงดงามแต่คุณธรรมในใจนะคือความสำรวมความไม่หลอกลวงความมีปัญญาดังราชสีอยู่ในถ้ำฉะนั้นคือราชสีเนี่ยเขาจะงามเมื่อเขาอยู่ในถ้ำนะเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์มีเกียรติยศเป็นอันมากประมาณมื่น และพรมทั้งปวงได้พากันมายืนประนมอัญชรีนอบน้อมท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้มีปัญญามากอันนี้กล่าวถึงคุณพระสารีบุตรผู้มีฌานใหญ่มีใจตั้งมั่นเปล่งวาจาว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในขอนอบน้อมแต่ท่านข้าแต่ท่านบุรุษข้าแต่ท่านผู้เป็นอุดมบุรุษขอนอบน้อมแด่ท่านท่านย่อมเข้าฌานอยู่เพราะอาศัยอารมณ์ใด ข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมรู้ไม่ถึงอารมณ์เหล่านั้นของท่านน่าอัศจรรย์จริงหนอวิสัยของท่านผู้รู้ทั้งหลายลึกซึ้งยิ่งนักข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มาประชุมอยู่ณที่นี้นับว่าเป็นผู้เฉียบแหลมดุดนายขมังทนายขมังธ น, น, นูก็ยังรู้ไม่ถึงนี่เนี่นนคือท่านสัมสารเสริญพระพระสารีบุตรว่า ม, มีเทวดานะและผู้มีฤทธ แล้วก็พรมเนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยมามามาเฝ้าพ ร, พระสารีบุตรเพราะเห็นคุณพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเนี่ยมีปัญญามากนะเข้าฌานได้หลายๆอย่างอารมณ์ฌานเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะเช่นอารมณ์ของอกระสินก็นไปอย่างหนึ่งนะฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌ า, า, านสี่ หรือฌานห้าเนี่ยที่เรียกว่ารูปฌานเนี่ยท่านเป็นผู้ชํานาญพระสารีบุตรหรืออารูปฌานก็ชํานาญหรือผลสมาบัตพิจารณาพระนิพพานเนี่ย ก, ก, ก็ิก็ชก็ชํานาญเพราะฉะนั้นผู้มีฤทธิ์เหล่านั้นพรหมเหล่านั้นไม่รู้หรอกว่าใจของพระสารีบุตรอยู่กับอารมณ์อะไรเป็นอย่างนี้นะจึงได้สารเสริญว่าข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รู้ถึงอารมณ์เหล่านั้นของท่าน ทั้งๆ ท, ที่ผู้ดีมาประชุมกันณที่นี้เนี่ยก็เป็นผู้มีมีคุณวิเศษมีคุณธรรมเฉียบแหลมกันเหมือนกับนายขามังธนูก็ยังไม่รู้นะยังรู้ไม่ถึงเลยว่าใจของพระสายลิบุตรเนะี่ยไปอยู่กับอารมณ์ออยู่กับพนันธิพาหรืออยู่กับเนวสัญญานาสัญญาหรืออยู่กับอากินจัญญาหรืออยู่กับอาณาปณสติอะไรอย่างเนี้ยไม่รู้นะไม่รู้รู้ใจท่านไม่ได้นี่เป็น คำสรรเสริญของพระมหากัสปะที่สรรเสริญพระสารีบุตรความยิ้มแย้มได้ปรากฏมีแก่ท่านพระกัปปิ น, นะเถระเพราะได้เห็นท่านพระสารีบุตรผู้ควรแก่สาัการะบูชาอันมูทวยเทพบูชาอยู่เช่นนั้นในเวลานั้นตลอดทั่วพุทธานาเขตยกเว้นแต่สมเด็จพระมหาหมุนีองเดียวเท่านั้นเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในทางทุดงคุณ ไม่มีใครเทียมเท่าเลยเราเป็นผู้คุ้นเคยกับพระบรมศ า, ศาสดาเราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วปรงภาละอันหนักลงแล้วอภ า, าละอะไรกิเลสเนี่ยหนักนะเราแบกอยู่ในใจเราเนี่ยหนักั้งหรือเปล่ า, าโรคกรหลงอิจสาลิธยาตันนีว่วงเหงาหาวนอน เ, เนี่ยมันมันมันหนักไหมไม่หนักก็แบกไปหรือว่า กรรมกรรมที่เราต้องทำเนี่ยกิเลสเป็นเหตุเราต้องทากรรมยนะังหนักบ้างไหมกรรมดีกรรมชั่วหรือว่าการบริหารขันห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยหนักไหมลูประคันอย่างเดียวเนี่ยหนักไหมต้องคอยอาบน้าล้างหน้านะคอยบำรุงบําเลอด้วยอาหารด้วยเครื่อ ง, งมมดุงคอมอะไรต่างๆเนี่ยแต่ท่านได้ปรงไปแล้วหมดแล้วทอนตัณหาเครื่องนาไปสู่พบ ขึ้นได้แล้วคือตันหานมันนําไปให้เที่ยวไปต่างๆพวกเราเนี่ยไม่ต้องทําหนังสือเดินทางนะไม่ต้องไปไปทำอะ่ะเพราะว่าตันหามันทําไว้แล้วว่ามันจะนําเราไปเที่ยวสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ยไปให้ทั่วเลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันพาไปไม่ได้นะแต่พันธิพานเนี่ยตันหามันไม่เคยรู้จักนะไม่คิดจะพาไปด้วยเราจะไปพันธิพานต้องทําเครื่องเดินทางใหม่ คืออริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิในการเห็นว่ากรรมมีผลกรรมมีอเพราะนั้นเราถือหนังสือเดินทางกี่ใบถ้าถือใบเดียวคือตัณหาประทับตาไม่มีทางอยู่กันไปเรื่อยว่าจะสงสารแต่ถ้าถือหนังสือเดินทางอีกสักฉบับหนึ่งอ่ะฉบับสําคัญคือฉบับ พุทธังสนงังคัตฉามิเป็นต้นเนี่ยนะเขจะมีสิทธินนะจะมีสิทธิ์ได้ไปที่ที่ที่ ท, ที่สัตว์โลกไม่เคยไปคือในวัดเจสงสารสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ยที่ที่เราไม่เคยไปเลยหาได้ยากมีเหมือนกันน่ะเช่นสุดทาวาสสุดทาวาสที่อยู่ของที่ไปเกิดของพระอนาคามีเนียแต่นอกนั้นเราไปกันทั้งนั้นน่ะ แต่ทีพันทีพานเนี่ยเราไม่ได้ไปพระนั้นควรจะทำหนังสือเดินทางใหม่อย่าไปทำกับกระทรวงตันหามันมันมันออกให้ไม่ดีมันนำไปทุกนะนำไปพบที่มีทุกขมากมายคือมันมีความแก่ความตายอยู่ประจำพบเหล่านั้นพระสมณะโคโดมพูดทรงพระคุณหาปริมาณมิได้มีพระไทยน้อมไปในเนคขมะ ทรงสลัดพบทั้งสาออก Eller, umas, ได้แล้วการมาพบรูปประพบอารูปประพบแต่ท่านสลัดออกได้หมดการมาพบก็เท่าไหร่อะสิบเอ็ดสบอ็ดสบอดภูมิใช่ไหมรูปประพบอีกส6หอารูปประพบอีกสี่ก็รวมเป็นสามสบอดท่านไม่ทรงติดอยู่ด้วยจีวรบิณฑบาตและเจนาสนะ เปรียบเหมือนบัวไม่ติดอยู่ได้น้ำฉะนั้นนะพุทธเจ้าไม่มีตัณหาจะไปยินดีในจีวรหรือในอาหารในเสนาสนะพระองค์ทรงเป็นจอมปราดจอบนักปราดมีสติปัฏฐานเป็นพระสอมีศรัทธาเป็นพระหัสมีปัญญาเป็นพระเสียนทรงพระปรีชา ม, มากทรงดับเจแล้วซึ่งกิเลสและกองทุกตลอดการทุกเมื่อจะเห็นได้เลยว่าพระหัต์ทั้งหลายเนี่ยจะจบคาถาในการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า อย่างนี้เสมอเลยด้วยความ ก, กตันยูกระตะเวทีอย่างยิ่งเนี่ยชีวประวัติของพระอหันตุพระองค์จะเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนเราสมัยนี้ตายกันก็แต่ละเสริญคุณขอให้คนตายนะโอ้โหมีคุณมากมายเหลือเกินนะไม่รู้ว่าคุณอะไรกันนักกันนาะเพราะว่าเป็นธรรมเนียมนิยมว่าจะไม่ประนามคนตายตระเลิกพูดความไม่ดีเอาแต่ความดีมาพูดกันนะแต่ว่า พระอาหารหันต์จริงๆท่านจะบอกหมด่ว่าท่านทําไม่ดียังไงไว้บ้างในภพต่างๆในอดีตชาติต่างๆแล้วมาทําดีอะไรไว้บ้างและในครั้งสุดท้ายเนี่ยจะระลึกถึงพระกุพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งว่าเพราะอาศัยพุทธเจ้าเนี่ยเราจรึงได้พ้นทุกข์ไม่มีพุทธเจ้าแล้วเราก็ยังต้องเที่ยวไปกับตัณหาคือตัณหาเป็นศาสดาของเรา มันก็สอนเราเรื่อยแกอยากอย่างนี้แกอยากอย่างนู้นแกชอบอย่างนี้ก็ติดอย่างนั้นมันมันสอนอย่างนั้นตัณหามีนาทีมันอย่างนั้นแต่นี้พอเรามาเคารพเชื่อในพระปัญญาพระพุทธเจ้าเปลี่ยนใหม่แล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าสอนอะไรเราจะทําตามเราก็จะพ้นทุกข์ได้นะอย่างที่พระมาหากัสปะกล่าวเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณก็คือทรงเป็นพระองค์ทรงเป็นจอมนักปราดคือเป็นยอดของ ผู้มีปัญญาทั้งหลายคือไม่มีใครจะมีปัญญาเสมอกันคือนักปราชญนเขาวัดกันด้วยปัญญาเขาวัดกันด้วยความรู้เขาไม่วัดกันด้วยว่าเออคุณมีคะแนนเสียงเท่าไหร่หรือว่าเออคุณมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่วัดคุณมีปัญญาเท่าไหร่แล้วปัญญาของคุณนั้นน่ะทําให้หมดกิเลสได้หรือไม่แล้วถ้ามีสติปัฏฐานสติที่ไปตั้งมัน่น อยู่ในลักษณะระลึกได้ในลักษณะของกายเวทนาจิตธรรมหรือว่ารูปนามเป็นพระสอเป็นพระสอมีศรัทธาเป็นพระหัตถ์พระองค์มีศรัทธาใช่ไหมจึงได้บำเพ็ญบรารมีเชื่อว่ากรรมดีมีผลเราทํากรรมดีถึงที่สุดจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ทําเพราะนั้นศรัทธาจึงเป็นเหมือนมือที่จะไปหยิบ เอาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติของชีวิตได้มีปัญญาเป็นพระเศียรปัญญาเนี่ยเป็นพระเศียรเป็นศรีรษะคือสูงสุดมีพระปรีชามากคือปัญญามากทรงดับเสยแล้วสืกิเลสและกองทุกข์ตลอดกาลทุกเมื่อจบม า, ากรสปะเทระคาถานี้เป็นคำสอนของท่านนะที่เขาสรุปรว บ, ร ว, บรวมเอาไว้ทีนี้ก็จะต้องถึงวาระสุดท้ายแนละ้ว ท่านปรินิพานเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะพระมหากัตสปะเทระเนี้นิพานอย่างไรเพราะการนิพานของท่านเนี่ยไม่เหมือนใคร <Yes. S 1> ไม่เหมือนพระเทระองค์อื่นๆเลยเ <c oughs> นื้อความในคำภีร์ภาษาวกนิพานมีเรื่องเล่าว่าชีวิตในบั้นปลายของพระมหากัตสปะเทระนั้นคือท่านอายุร้อยี่สิบปี หลังจากที่ได้ทำสังขยาาแล้วทำการฝังฝังพระบรมสารีริกธาตุโดยแนะนำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูทำแล้วเนี่ยท่านพักอศาศัยอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารในกรุงราชชครืคือก็อยู่ใกล้ๆกกับปิดภริคูหานั่นแหละแม้ว่าท่านจะมีอายุมากมีพุทธบริษัทเคารพนับถือมากก็ตามท่านก็ไม่เคยประมาทเลย คือคือความประมาทเนี่ยไม่มีสนะําหรับพระอรหันต์นั่ะนะคือไม่ต้องเพียนแล้วก็มีสติอยู่ทุกเมื่อแล้วไม่ต้องเพียรละกิเลสนะสําหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยถือว่ายังประมาทอยู่ทั้งนั้นเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นพระนาคามีหรือเป็นปุรุชนเนี่ยยิ่งประมาทใหญ่คือประมาทยังไงอะ่ะคือไม่เอาประโยชน์อนะประโยชน์ที่ควรจะทำเนะี่ยไม่ทําไปทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ สิ่งอะไรนะั้นไม่เป็นประโยชน์ก็สิ่งที่โลภะโทสะโมหะมันทำนั่นแหละนะไม่เป็นประโยชน์ทีนี้ท่านเนี่ยไม่ประมาทในการที่ทำประโยชน์ให้แกศาสนาคือพระมาการสปะเป็นพระอรหันต์ที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้เองยังยึดมั่นในการปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างอยู่เป็นนิดเหมือนเกลือที่คงลสเข็มไว้เสมออยู่มาวันหนึ่งท่านออกจากผลรสมาบัติแล้ว จึงพิจารณาดูอายุสังขารว่าเรานี้ชลาภาพมากมีอายุยืนมาถึงปูนนี้แล้วจะมีอายุต่อไปอีกสักเท่าไหร่ก็เห็นว่าพรุ่งนี้แล้วเราจะนิพพานก็ได้พิจารณาต่อไปว่าสถานที่แห่งไหนจะเป็นสถานที่เข้าสู่พระนิพพานของเราก็ทราบว่าภูเขากุกกุตะสัมปาตะบรรพจนั้นมีภูเขาสามลูกอยู่ใกล้กรุงราชครื้คือท่านจะทําอะไรจนะคิดถึงประโยชน์ ธาตสนาประโยชน์คนอื่นหมดนะเนี่ยพระหันมีมีอัจฉรยาสายอย่างนั้นเพราะประโยชน์ของท่านนะท่านทำสำเร็จไปแล้วไม่ทามาคิดด้ ว, ว่าโอ้ยเราจะต้องทำอะไรเพื่อตัวเราอีกนะก็คิดถึงประโยชน์ที่แท้จริงของสัตว์โลกว่าสัตว์โลกควรจะได้ประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงพิจารณาเห็นความสิ้นสุดของชีวิตดังนี้แล้วจึงให้ประชุมพระภิกษุทั้งหลาย แล้วได้กล่าวคำสั่งสอนและคำอำลาเป็นวาระสุดท้ายว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงอุตสาหปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ทุกเวลาส่วนตัวของกระผมได้ถึงการสิ้นอายุจันิพาณในเย็นวันนี้แล้วพวกพระภิกษุเป็น ผู้ทุชนได้ฟังคำของท่านแล้วก็พากันเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำพันถึงความดีของพระมหาเถระนานับประการแต่พระภิกษุสมัยก่อนนี่ร้องไห้ง่ายนะร้องกันเรื่อยลนะ่นะสมัยนี้ก็พระที่มีชื่อเสียงมรณ ภ, ภาพเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีพระไปร้องไห้มากๆหรือเปล่า ส่วนพระภิกษุผู้เป็นพระขี่นาสพคือเป็นพระอรหันต์พาการสลดใจต่อคำกล่าวของท่านสลดใจด้วยปัญญานะและพิจารณาตามสภาพความจริงของสังขารว่าเมื่อเกิดมาเป็นสัตว์เป็นสังขารแล้วมีแต่จะดับศูนย์ไปในที่สุดถ้าระงับสังขารคือพันธิพาณิพนิพาน์เนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่ ดับสังขารไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการเกิดไม่มีการดับถ้าระงับสังขารธรรมเสียได้แล้วจึงจะเป็นสุขพูดง่ายๆอา น, นิจจาวัสังขารานั่นเองอุปาทวยธรรมมีโนโ น, นะคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน้อเนี่ยคือมีแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปความสงบสังขารทั้งปวงคือพระนิพพานเนี่ยเป็นสุขที่แท้จริงพระหันที่ท่านรู้ความสุขที่แท้จริงนะเพราะนั้นท่านจะไม่มาบอกว่า บอกว่าอันเนี้ยสุกเนี่ยสุกเพราะมันเป็นสุกในสังขารท่านไม่บอกนอกจากนิพพานแล้วท่านนี้จะบอกว่าเป็นสุกที่แท้